45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาสาังวนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกคราวนี้จะอธิบาย ในฐานะที่เคยได้ฟังอริยสัจมาก่อนคือว่าเมื่อเคยฟังอริยสัจมาแล้วรู้ว่าอริยสัจนั้นมีสี่ได้แก่หนึ่งทุก์ซึ่งเป็นผล 2. สมุทยัยเหตุให้เกิดทุก์ซึ่งเป็นเหตุทั้งสองนี้เป็นผลและเหตุในด้านทุกส์ 3. นิโรธความดับทุก์ซึ่งเป็นผล สี่มัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งเป็นเหตุนี้เป็นผลและเป็นเหตุในด้านความดับทุกข์เมื่อได้เคยฟังอริยสัจมาและทราบหัวข้ออย่างนี้ก็พอจับเขาของคถาของท่านได้คือข้อว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุนี่ก็หมายถึงทุกข์ซึ่งเป็นผลนี่เป็นบาตรที่หนึ่งของคถานั้น ส่วนบาทที่สองว่าพระตถาคตตรัส์เหตุของธรรมเหล่านั้นนี่ก็คือตรัสสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์บาทที่สามว่าและความดับของธรรมเหล่านั้นนี่ก็เท่ากับแสดงนิโรธความดับทุกขและมักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งรวมอยู่ในฝ่ายความดับทุกข์พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้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 มีอัดคลายกับที่เราสวดกันเวลาเชา้าสัพเพธรรมมาอนัตตาทมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่พึงเข้าใจว่ารมบทนี้เป็นปรมาธรรมคือธรรมที่เป็นอัดเป็นอย่างสูงพระพุทธเจ้าจะแสดงก็แต่ผู้ที่จะโปรดให้บรรลุมรรคผลเท่านั้นถ้าบุคคลสามัญก็ไม่ตรัสรรมนี้ ทำทั้งปวงนั้นถ้าพูดอย่างสามัญก็แบ่งออกเป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งอกุศลธรรมส่วนหนึ่งในเบื้องต้นท่านก็สอนให้ละอกุศลแต่ว่าสอนให้ทํากุศลยึดมั่นในออกุศลปล่อยอกุศลนี่ต้องยึดคือว่าทิ้งชั่วยึดดีเอาไว้ดีนั้นทิ้งไม่ได้ต้องยึดเอาไว้เพราะว่าทุกๆคนนั้น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 แสดงผิดที่ก็จะเกิดความวิยว่ยเขว้สับสนไปหมดและก็จะไม่เข้าใจเมื่อท่านพระอัครสาวกออกบวชนั้นมีพวกคุรบุ ท, ที่มีชื่อเสียงในเมืองมคตพากันบวชมากขึ้นมากขึ้นจนชาวบ้านชาวเมืองพากันกล่าวโพร น, นาว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติทำให้คนไม่มีลูกทำให้หญิงเป็นหมันเป็นม้ทาให้ตระกูลขาด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 ทรงได้ภาษาวกสาคัญอีกรูปหนึ่งเรียกในทางพระพุทธศาสนาว่าพระมหากสปะประวัติของท่านมีโดยสังเขว่าท่านเป็นบุตรของพราหม์ชื่อว่ากัปีิละกสปะโคตระในบ้านพราหม์ชื่อมหาติถะในมกขทัรตนั้นท่านได้รับชื่อว่าปิภริมานพตระกูลพราหม์ที่ท่านถือกำเนิดนั้น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 จะต้องมีพระอาหารหันต์ในโลกแต่ยังไม่รู้ว่าท่านเป็นผู้ใดก็ออกบวชอุทิตท่านผู้นั้นการออกบวชอุทิตนั้นยังมีสาวกอื่นอีกบางรูปในพระพุทธศาสนาแรกกระบวดเป็นอุทิตประชาเช่นนี้ท่านได้จาริกไปพบพระพุทธเจ้าในระหว่างกรุงราชคริสและนาลันธาในขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไทรต้นหนึ่ง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 พระพุทธศาสนาได้ ท, ทันทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสประธานพระโอวาทแก่ท่านพระมหากระสปะสามข้อคือข้อหนึ่งให้ศึกษาว่าจงตั้งฮิริความละอายโอตับ ป, ปะความเกรงกลัวยอย่างแรงกล้าในภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นพระเถระทั้งที่เป็นนวิกาทั้งที่เป็นมัชชิมัข้อสองให้ศึกษาว่าจากเงียโซ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 พระอรหันต์เป็นผู้ที่มีจิตพ้นจากอสวกิเลตตามเรื่องก็แสดงว่าภริยาของท่านก็ออกบวชอุทิ์พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันและต่อมาก็ได้บวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาพระเถระที่เรียกว่ากัสสปะยังมีอีกสี่องค์คือท่านที่เป็นหัวหน้าปุราณะตินพันหนึ่งนั้นได้แก่พระอุรุเวลกัสสปะพระนทีกัสสปะ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 พระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป